ความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความหิวตอดทั้งความสุขความทุกข์โลกของนามคือความหลงความโกรธความโลภความรักความชังความสุขความทุกข์เป็นโลกของนามแต่ว่าสติตัวนี้หวนกับย่าหวนก็โอสดเอาไปใส่ลงไปใส่ยามัน หมอใส่ยาคนป่วยตัวตชนนี่คือคนป่วยคนป่วยไข้เหลียวยารักษาคือสติตนะเอาไปใส่เอาไปใส่าใสยายาเอาอันอื่นใส่เรียกว่นน ค, ความสุขแเอาความสุขไปใส่ความทุกข์เหลียวความทุกข์ไปใส่ ความหลงก็อย่าเอาความหลงไปใส่เอาความรู้สึกตัวไปใส่ใส่บ่อยๆใส่บ่อยๆอาจจะหายได้ความหลงอาจจะทาให้ไม่หลงความผิดอาจจะทาให้ไม่ผิดเราจึงพยายามให้มียาให้มีไปจำเพื่อที่จะทันทีทันควรทันได้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 คนมีความรักความชังวิตตองกัง ว, วลสมองคือคนตายแล้วแต่ถ้ามีสติจะไม่ตายชีวิตที่เป็นอมตะจะรู้ ส, สึกรู้ ส, สึกจึงพยายามจ้าขยันลูน้ันให้มันใกล้ให้อยู่ใกล้ตัวเราใช้จห้จนชน้จำนานจำ น, น, นี้จำนาญ ใช่เลยก็ไม่เหมือนแต่ใช่คนรู้สึกตัวหนึ่งใช่รู้สึกตัวหนึ่งเป็นกวอมเป็นกรรมสําเร็จเหมือนกับสารพัดนึกเหมือนกับกบที่ตายายขี้เป็นใส่ลงไปโอ้สึกตัวลงไปแต่ใช่ใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่เห็น คนเนี่ะวอาเราไม่ได้ใส่จริงๆไม่ได้ดืม่มไม่ได้ดืม่มไม่ได้รู้สึกแบบลึกซึ้งแต่จะเลื่แบบทนถอดไม่ได้ปั ก, กลงไปจริงๆพรจะเลื่ลงไปหลงไปซะหลุดออกไปซะแล้วเราปักดำตอนข้าวในนาบางคนปักไม่เป็นเนะ่ะ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 อะไรรู้สึกตัวเรามั่นใจมั่นใจมั่นใจในฝีมือของตัวเราเพราะอะไรเพราะมันชํานาญการปฏิบัติทำในกรรมการอาจารที่จะรู้สึกตัวการรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่ทุ่นเทไม่ใช่หลุดลืน มันก็นแบกบข้ามอะไรมันก็นันมบเบาสายการเจริญ ส, ต, นน ส, ส, สติมันนั่งซับเบาน้ํนาซับนั่งซึมไม่เหมือนนั่งไหลหลักเป็นบบานั่งเบาสายค่อยไหลออกมาค่อยไห ล, หลออกมาได้กินแม่แต่ไหลน้อยก็ได้กินไม่ขาด คืลื่บ่อยๆก็ด้บ่อใสยทำให้น่าบ่อใสยอย่าไปทาเหมือนกับโหลลงไปเาจะนั่งเท่านั้นช่วงเาจะเดินเท่านั้นชั่วงเาจะยืนจอะไรต่างๆเราจะยืนเป็นสงชั่วโมงก่นก่อนก็จุดทูก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 มาเถออะไรจะเกิดขึ้นโล้เราลู้เราก็ลู้เป็นหลักพอมันเกิดขึ้นเราก็ลกู้ใช้ได้ทันทีนะทาใม้เหมือนหน้าบอดสายจึงอยู่เรื่อยเหมือนจจเป็นสารพัตเติมลงไปอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตมันมันจะ เป็นต้องใส่ใจอยู่เรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำาอกระหมหะไรใครย่อยบางทีอาจจะเคิดหลาบพอหันหน้าพอตั้งหน้าจะทําวามเพียนพอตั้งหน้าจะทำสติมือนกัมันยากอานนึ่งแบบนี้หลังกดสมารถเอาขวาทับเท่าซ้ายมือขวทับมือซ้ายตั้งกายให้ต้องมีสติดาร ง, งสติให้มัน พอจะทําลวง่งมุสู่ว่ามันยากมันเป็นรูปแบบเกินไปทํำไรถ้ามันเป็นรูปแบบให้มันของอาจจะไม่เป็นของกิง่งอาจจะเป็นของสมมุติอาจจะเป็นของปลอมๆ ม, มันมานเหนือรูปแบบตามปฏิบัติธรรมอาจจะหายใจอาจจะเพิดตาชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ถ้าว่าเวลาใดที่เราได้นั่งสั่นจะว่าเอออะไรก็เป็น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 ถ้าไม่เพิ่มต่อมันก็หมดเป็นต้องเป็นอัตโนมัติบ้างนั่งกับไดชาติใช่ไปมันชาติไปเรื่อยมันชาติไปเรื่อยให้มันเป็นแบบนั้นมันชาติไปเรื่อยไปไหนก็โล่ไปเรื่อยโล่ไปเรื่อยนั่งนบนรถเมก็โล่ไปเรื่ยมันชาดแล้วก็เขียน เห็นพวที่จะไปกรุงเทพตั้งแต่ตีหนึ่งไปโทรไปหารถตู้รถต้ก็นอนยังไม่ตื่นไปเรียกชาวบ้านชาวบ้านก็นยังนอนไม่ตื่นพอที่จะตื่นล้วก็ออกหมดแล้วสั่งกลับไปกลับมาอ้าวไปโทร อ, อีกเขาบอกว่าเขาไปรูดทางเเราไปเรียกคนขับรถขับรถลงไปหน้าผาไปโทรไปร้อนรับ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 อพราว่าทธอมันหลอกตอนเก่าแล้วเพราะบุคคลที่เห็นสิ่งที่หลอกมันจะเกิดอะไรนะมันก็ปัญญายอดแล้วที่มันจะหลอกเราแล้วปัญญาแล้วยอดเยี่ยมแล้วอันก็ปัญญามันเกิดอยู่ตรงนั้นแหละหลอกเองหลอกให้รักหลอกให้ชังหลอกให้สุขหลอกให้ทุกข์หลอกให้เกิดทิเลตตันหาหลอกให้เกิดความโลภความหลง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 ไปดูบ้านเขาให้ใหผ้าพรมขาดขาดเหม็นสาบ ป, ปูเป็นที่นอนไว้นอนก็้าไปนี่ไปดูห้องน้ำกับป้องขาดขาดปากขาดขาดกองจะได้มาจากขยะกองขยะอาไว้ใส่น่าในห้องน้ำมันก็ให้เต็มงานปากมันขาดเหลืออยู่บ้านครึ่งหนึ่น มีขันก็ขันขัดขาดเรามีสีลูกไปอยู่ในนั่นเราสีลูกเนี่ยต้องอาบน้ำที่นั่นต้องใช้ห้องน้ำที่นั่นแปลงปั้นตรงนั้นเอานี่แหละพอทะยบไหว ป, ปะป๋องขัดขัดมาพ่อครูทางาสนานอมแขนมีะ อ, อ, อะไรไปเยอะนะ เรนเดไปเห็นเหรอโอ้มอมไม่อาบน้ำจริงนะวันนี้ังไหนจะอาบนา้ำจะไม่ต้องขอลันนี้ลุงพ่อไม่ขอเพื่อนผมงอมันรู้สึกว่ามันเหนหื่อมันออกก็ไปดูห้องน้ำ น, น, น้่งน้่ก็มีมีแก้วกระต๋องสแตนเลสเท่าเอาบไปหูดได้น้อยนะ เอามเงแขนดูเราจะอาบน้ำสักพืก้นกระป๋องรองรงมันจะไปไหนห้าห้าเกี้ยวอาบน้ำห้าเก้วเราจะต้องทำงานอาบน้ำห้าเก้วถ้าจะบอกเพื่อนเพื่อนจะด่าไม่ชอบีไม่ช่ไม่ยอีจะได้เชอเขาจะเ ข, าจ ะ, ขาจะด่าแล้วไอกไลักขโมยอ่อเาไปก่อขอพระเพื่อนข้ามาพระเพื่อนนอน แล้วก็ย่องเขาไปนั่งทำสมาธิอาบนา้าบจงค่อยนั่งตัวบันจงเรียต า, นากน้ากระป๋องแลกใส่หัวลูกไปทั่วเลยกระป๋องเดียวสบู่จัดไปพร้อมลูกไปพร้อมมันนั่งไปทางไหน ถ, สถนนสูสบู่ไปทางนั้นพาสบู่พาน้าไป ในร่างกาปท๋ที่อถูจนดูถูจนน่าแ่งน่างน่าแติดตัวถูไปจะได้กัป๋องที่สองค่อยเทลงน้อยๆถูจนโบวออกไปเกือบจะเกือบจะเกือบจะเลินเกือบจะเกือบจะหมดสบู่แล้วกระป๋องที่สามเนี่ยสบายแล้วกรป๋องที่สี่เนี่สบายเลย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 เถนี่คือเถิดสิที่เพื่อนนะอ่าการดูก็ดีไม่ได้นอนมอนจงได้เถอเลยผ้าตัวเราต้องถูกผ้าหน่งผืนไม่ใหญ่เท่าไรเอาผ้าบาดหนนหัวนอนตื่นเดียวตื่นได้ทีไม่ไปดูก็ดีเลยอ่าไ่ไปจุ่มนูวอมจนไปจุ่มหนูของยากลาบาก อาบหนันเขายงเท้บาเขยเอาเ้ยวก็อาบสีเขี้ยวเลยอาบอาะไรนะ <c oughs> จุ่คนทุกข์ขเขา ว, ว่ายาปัดแล้วไปเขาก็พาไปจุ่มมอญหน่อยรีสอร์ตติดชายทะเลม า, าสมุทรอินเดียนั่นฝั่งมาสมุทรอินเดียนะาานยนะโอ้ยอาหารเขามาไปกินขา้าวไปจุ่มกับคนนี้ไปจุ่มกับคนจน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 อาจจะพรตาไม่ดีาตาไม่ดีมันก็เกิดวิญีาณเีย็นนัน่นคืนควาเป็นหนุกมนะมันก็เย็นไปเลยเดินกลางคืนไม่เห็นเนี่ยเย็นหัวอาทัำท่าจะล่มเดินอะไรก็ตกสูงตกต่ําเสียหลักเอวก็ไม่ค่อยดีคอรจะล่มเสียเอไวไอ้คนเพรมันบอกมันบอกเราว่าควรหรือไม่ควร